เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาอาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยทรผู้ทรงวินัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับพระคณะพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิทธิ์คุณลักษะประมาณห้าร้อยวันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือส้วม ทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ําชําระไว้ในภาชนะแล้วออกมาเพราะวินัยทอนเข้าไปภายหลังเห็นน้ํานั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ําไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ําไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถาึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยทอนว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทําคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัติ พระธรรมกถาถืยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทําท่านทําเพราะไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพระวินัยทอนว่าด้วยคําพูดตอนหลังของพระวินัยทอนนี้พระธรรมกถึกจึงมิได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยทอนไม่ได้นิ่งเฉยกลับนําเรื่องนั้นมาพูดกับศีล์ของตนว่าพระธรรมกถาถึงแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้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 พระวินัยทรพูดมุสาสิทธิ์พระธรรมกถกเมื่อพบสิทธิ์ของพระวินัยทรก็พูดบางว่าอุปชาของพวกท่านพูดมุสาทั้งสงทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการลัคนิต่อมาภายหลังพระวินัยทอนได้โอกาสจึงได้ทำเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงร่วมอุโบโสถสังฆกรรมไม่ให้รวมชานร่วมที่อยู่อาศัย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 ส่วนพระธรรมกถกถือว่าอุปชาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าได้แผร่ไปอย่างกว้างขวางพระพุทมีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสัตว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนา จ, จะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้ ง, งที่ 3, สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทํา อุเคปนิยกรรมของภิกษุผู้ทำอุเคปนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัตของภิกษุผู้ต้องอาบัตแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังพอจะจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานอุตศาสเป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยก แต่แก่งยิ่ยงคันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตราดชาดกเป็นอันมากมีละตะกิกกชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระสถทธาขุเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนกขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เย็นจงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุจท่วงมหันตบและไม่มีที่สิ้นสุดใต้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีกีติโกศลซึ่งพระเจ้าพมทัตให้ปรงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีขาวุกุมารโอ้รถพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพมชมจับพระเจ้าพรมทัตใต้ประสงค์จะปรงพระชนเสีย แต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะที ข, ขาวุกุมารยกประชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษระสัสดทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีขาวุและพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทําไมเล่าเธอทั้งหลายจะปลองดองสามัคคีกันได้ภิกษุทั้งหลายจะเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมใน อันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั่นและสงบเส ง, เงยมเรียบร้อยแต่พระองค์ให้สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิรอาต่อกาทรทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีกออกจากโมยู่โดดเดียวช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบินทบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือกีวและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทาง พารกะโลนการามตรัสเอกจาริกวัดคือวัดแห่งพิสุอยู่ผู้เดียวแกรพระพระคุเถระที่พารกะโลนการามนั้นตรัสอนิสง์แห่งสามขีแกคุรบุตรสามคนในมิขทายวันชื่อปาจีนวังสะแลเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเรยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเลยกะ เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาระใหญ่ในราวป่ารักจิตวันได้รับอุปถากจากช้างชื่อบาริเลยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่โคสิตาราม่เห็นพระาศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระาศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระาศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ ก็หาสามมาขี่กันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทําสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทําสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูขสีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสาวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่า อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอเขมาพระาศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอเขมาพระตอถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอเขมาพระาศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอเขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขเขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้น มิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลาบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในภรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณปารกกิตวันใกล้หมู่บ้านปาริเลยกะได้ช้างชื่อปาริเลยกะอุปถากอยู่ช้างปาริเลยะกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะระอิรฉาในความเกลื่อนกลนด้วยหมู่คณะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาริระยกะกได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เคลื่อนกลอนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่ง ก, กินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่ง ก, กินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ําคุณเมื่อเราลงสู่ท่าน้ําหรือขึ้นจากท่าน้ำํำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลาย ทำอย่างไรหนอเราจรึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีกออกจากหลงเข้าไปยังป่ารักขิตตะวันณควงไม้สาระใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริรลยะกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคจารถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ต้นสาระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ําเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ําร้อนก็ถวายน้ําร้อน วิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นอย่างนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีคันให้เกิดไฟใส่เฟินให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ่งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็เอางวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระาศาสดาเป็นทำนองทูลให้ทรงใช้น้ำร้อนได้มันได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระาศาสดาด้วยเหมือนกัน เวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบินฑบาทให้หมู่บ้านช้างได้วางบาทและจีวรของพระองค์ไว้บนตรพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่ว่าปาริรลยะกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาทและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทาการต้อนรับถือบาทและจีวรไปโดยายที่กล่าวแล้ว ไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศ า, าสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณเมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้าสงพระพักเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่ง เห็นช้างทำอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังผึ้งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวผึ้งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ่องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่เล่งคิดว่าทำไมเนอพระองค์จึงไม่สวยจึงจากกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึง่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนาตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาสวยแล้ว เมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบางเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่งถูกต่อนั้นแทงสิ้นใจตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดนหนึงการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จลีกร้นไปอยู่ในป่ารักกิตตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถ บินทิกะและวิสาขามาหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอนุนว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในทีต่ต่างๆเมื่อออกภรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอนุนวอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้า ได้ฟังธรรมจากพร ะ, พ, ระพุทธองค์อีกเถิดพระอาหนุนพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาษษษสดาน่าปารักิตะวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายัางไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ณภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียว่อนนี่เป็นความรอบคอบของพระอานนุนคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริเลยกะ เห็นพระอนน์มาแตกไพรจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอ น, นุ์พระศาสนาทอดพระเนธเห็นจึงตรัสว่าปาริเลยกะรียกริกอนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เ่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟอื้อในการรับบาตและจีวรแต่พระอ น, นุ์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยาม บัญญาตีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอา น, นุ์ได้วางบ่าและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีคิตเรื่อมใส่ริงอยู่สิทธิผู้มีบัญญาติดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอา น, นุ์ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระาศาสดาตรัสถามว่าอา น, นุ์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือ มีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าขาเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพราพุทเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าขาไปนํามาเถิดพระอนุลนาภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศารสดาทรงปฏิสันถางกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุมนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าขาพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุม คือหมายความว่าละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไกลามากชื่อว่ากระทํากิจอันทําได้โดยยากโดยผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีหน้าทีนี้พระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริไวยะกะได้ทํากิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายหินป่านนี้สมควรแท้หากไม่ไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้ว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 เพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระาศาสดาตรัสจบภิกษุห้าร้อยรูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ทูลสารที่ะกุลใหญ่ๆมีท่านอนาพินทิณธาพินทิกะเป็นต้นส่งมาทูลเชิญเสด็จพระาศาสดาสุนครสาวัตถีพระาศาสดาตรัสาากับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้น เธอจงรับบาตรจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไป <c oughs> ช้างได้ยืนขวางทางไว้พิสูจ์ทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทําไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทําให้จิตใจของเขาขัดเขือไม่ควรเลยพิสูจ์ทั้งหลาย พ, พวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้ว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 ช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาริรลยกะว่าปาริรลยกะเอยในอัตภาพนี้เธอเป็นเดรัจฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมากผลได้เจ้ายังเจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับ เมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริรลยกะพระศาสดาผินพระพักมา ต, มาตรัดกับช้างว่าปาริรยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์มิใช่ถิ่นของเจ้ามีพายุรอบด่านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับครองจากสุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรัก ช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบระุตรชื่อปาริรลยะกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศ า, ศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประธานอภัยพระเจ้าเปรตที่โกสลทรงทราบ ว, ว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าฝาพระพุทธเจ้าทูลว่า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 นั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอเข้ามาพระศ า, ศาสดาสงหันเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศ า, ศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเมื่อเราสมานสามขีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับวอวาตของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้ว มิได้ขัดขืนโอวาดของมารดาปิดาปฏิบัติตามโอวาดของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแว่นแควนถึงสองแควนคือกาสีและโกศลดังนี้แล้วตรัสทีคาวุกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อห ย, ยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาดกันส่วนพวกได้รู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายซึ่งกันและกันย่อมระงับลง การไม่สำรวมอินทรีย์คนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นวางงามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกลียดคร้านมีความเพียนเร็วคือย่อหย่อนมานย่อมรังควานย่ำยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ไม่อารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรเสมอ มันย่อมรางควาญย่อมยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองขินอารมณ์มีรูปเป็นต้นวางงามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามาราคะครรกวณทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้น คือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำนักในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์ รวงความว่ า, วาต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหจูจนเกินไปย่อมทําให้ต้องดิ้นรนมากและมีทุกข์มากทําให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่ประมาณไม่รู้ประมาณในโภชนานั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้ประมาณในการสแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทําให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้ มากเกินไปทำให้อึดอัดเกียดคล้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อานวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีมิได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทาอะไรแม้ร่างกายจะปะกติดีอยู่ ไม่ได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทําอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียดคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทํางานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียดคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบนสาธยายไม่เจริญธรรมะธรรมเช่นสมถะและวิปัสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนได้คุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วย ความเกลียดคร้านเป็นอันตรายแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บรรพชิตและเครือข่าเป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันเริ่มต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกลียดคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสามคือการมวิตกการตรึกถึงกรรมพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียนเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับจับว่างๆไม่มีความเพียนอันมั่นคง ทำอะไรจับจดทําความเพียรแบบการเดินของกิ่งก่าคือเดินเดินหยุดหุดไม่สม่ําเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอํานาจของความงามเป็นต้นมานย่อมรางกวานได้เขาย่อมตกอยู่ในอํานาจของมานด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอํานาจแห่งความงามสํารวมอินรหรู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย มายอมย่ำยีไม่ได้มีคําที่คนอธิบายอยู่อีกคําหนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาถึงโลกิยาศรัทธาและโลกุตระศรัทธาโลกิยาศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหนาโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป